ชาณสังยุตหนึ่งคังคาเปยานละวักหมวดว่าด้วยคังคาเปยานหนึ่งถึงสสองชาณที่สูตรว่าด้วยชาญเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวาทีณนะที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคละถึงภิกษุทั้งหลายชาญสี่ประการนี้ชาญสี่ประการอะไรบ้าง คือภิกษุในธรรมวิในนี้ 1. ึงสงัดจากกรมและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมฌานที่มีวิตกวิจาร์ปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ 2. เพราะวิตกวิจาร์สงบระ ง, งับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่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 เพราะอุเบกขาอยู่ฌานสี่ประการนี้ภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาหลาไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนหลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉั้นใดภิกษุก็ชั้นนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญฌานสี่ประการทำฌานสี่ประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุ เมื่อเจริญฌานสีประการทำฌานสีประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. นึ่งสงัดจากกามและอคติธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ 2. เพราะวิตกวิจารสงบระ ง, งับไป บรรลุทุติยฌานและถึง 3. บรรลุตติยฌาน 4. บรรลุจตุทชัชฌานภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเจริญฌานสี่ประการทำฌานสี่ประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แหลชฌานาทิตยที่1นึถึง1 2จบ ขั้นคาไปยานละวักที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ปฐมมะปาจีนิณสูตร 2. 5ถึง 5. ทุติยาที่ปาจีนิณสุตตะจตุ ก, กะ 6. ฉัฏฐปาจีนิณสูตร 7. ปฐมมสมุทะนิณสูตร 8. 1 2ถึง 12. ทุติยาที่สมุทะนิณสุตตะปัญจกะ ประมาทวักพึงให้พิสดารรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ตถาคตสูตร 2. ปฐัสสูตร 3. อาสวะสูตร 4. มูลสูตร 5. สารสูตร 6. ววสิกะสูตร 7. ราชาสูตร 8. จันทิมะสูตร 9. สุริยสูตร 10. วัถสูตรพะละกรณียวัคผึงให้พิสดารรวมพระสูตรที่มีนนวัคนี้คือ 1. พะละสูตร 2. พีชสูตร 3. ราคะสูตร 4. รุกขสูตร 5. กุมพะสูตร 6. สูกะสูตร 7. อากาศะสูตร 8. ปดฐมมะเมฆสูตร 9. ทุติยะเมฆสูตร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 มละสูตรแปดนีขะสูตรเก้าเวทนาสูตรสิบตันหาสูตรสิบเอ็ดตัดสินาสูตร 5. โอฆะวักหมวดว่าด้วยโอฆะ 1-10 โอคาที่สูตรว่าด้วยโอคะเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุท ธ, ธรรมภาคิยสังโยชน์5ประการนี้อุท ธ, ธรรมภาคิยสังโยชน์5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปปราคา 2. ออรูปปราคา 3. มมานะ 4. อุทัจจ 5. อวิชชา อุดมภักดยสังโยชน์ประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญฌาน4ประการเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุรมภากยีสังโยชน์ประการนี้ฌานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. นึ่งสงัดจากกามและอุปสณธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุ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 ภิกษุพึงเจริญฌาน4ี่ประการนี้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุธรมพาคยสังโยชน้ประการนี้ข้อความที่เหลือพึงให้พิสดารอย่างนี้พึงเพิ่มข้อความให้พิสดารเหมือนมัคสังยุตโคะวักที่หจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. โอคสูตร 2. โยคสูตร 3. อุปาทานสูตร 4. คันทสูตร 5. อนุสยะสูตร 6. กามคุณสูตร 7. นีวรณสูตร 8. อุปาทานขันธสูตร 9. โอรัมพาคิยสูตร 10. อุทธรรมพาคิยสูตร 4. ชาณสังยุตที่9จบ อาณาปานสังยุตหนึ่งเอกธรรมวัโหมวดว่าด้วยธรรมอันเป็นเอกหนึ่งเอกธรรมสูตรว่าด้วยธรรมอันเป็นเอกเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคละถึงจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย ทำอันเป็นเอกที่พิกษุเจริญทาให้มากแล้วมีผลมากมีอนิสง ม, มากทำอันเป็นเอกคืออะไรคืออาณาปานาสติอาณาปานาสติที่พิสษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสง ม, มากคือพิสษุในธรรมวิ น, นัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดี นั่งคู่บันลั ง, ลงตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกอาณาปานสติส6หขั้นหนึ่งเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ช erm ัดว่าหายใจออกยาวสองเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้น เม us, so that, so ื so, that, so so, that, so hey. ่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นสาสำเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจออกสสำเนียกว่าจะระงับกายะสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจออก 5. าสำเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจเข้า สําเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจออก 6. สําเนียกว่าจะรู้ชัดสุขหายใจเข้าสําเนียกว่าจะรู้ชัดสุขหายใจออก 7. สําเนียกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจเข้าสําเนียกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจออก 8. สําเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้า สำเนีกว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจออก 9. ก้าสำเนีกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจเข้าสำเนีกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจออกส0บสำเนีกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสำเนีกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจออก11บสำเนีกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจเข้า สําเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจออก 12. สองสําเนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจเข้าสําเนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจออก 13. สามสําเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าสําเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออก14สี่สําเนียกว่า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 สองชังขสูตรว่าด้วยการเจริญโพชงภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วมีผลมากมีอนิสงมากอาณาปานาสติที่ภิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอนิสงมากคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ หเจริญสติสัมโพชงที่สหรคตด้วยอาณาปานาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้องไปในโวสักคะ 2. เจริญธรรมวิจยสัมโพชงที่สหรคตด้วยอาณาปานาสติละถึง 7. เจริญอุเบกขาสัมโพชงที่สหรคตด้วยอาณาปานาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักขะภิษุทั้งหลายอาณาปานสติที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอานิสง ม, มากพดชังขสูรที่สองจบสาม สุธิกาสูตรว่าด้วยอาณาปานาสติล้วนภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสง ม, มากอาณาปานาสติที่ภิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอนิสง ม, มากคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดี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 จึงมีผลมากมีอานิสงส์มากสุทธิกระสูตรที่สจบ 4. ปฐมภ ะ, ะสูตรว่าด้วยผลแห่งการเจริญอาณาปานสติสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลาย อาณาปานสติที่พิกษุเจริญทําให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสงมากอาณาปานสติที่พิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแลอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงมากคือพิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคู้บัลลังตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้า เธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกและถึงสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกอานาปานาสติที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลททำให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอานิสง ม, มากภิกษุทั้งหลายเมื่ อ, อานาปานาสติที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แล ทำให้มากแล้วอย่างนี้พึงหวังผลหนึ่งอย่างในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นพระอนาคามีปรถมมะพละสูตรที่สี่จบ ติยพลสูตรว่าด้วยผลแห่งการเจริญอานาปานสติสูตรที่สองพิสุทั้งหลายอานาปานสติที่ภิกษุเจริญทําให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสง ม, มากอานาปานสติที่ภิกษุเจริญอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสง ม, มากเพื่อพิสุในธรรมวิ น, นัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดี ไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกและถึงสำเนีกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคินหายใจเข้าสำเนีกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคินหายใจออกภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติที่ภิกษุเจริญ อ, อย่างนี้แหลทําให้มากแล้วอย่างนี้ ยังมีผลมากมีอานิสงฆ์มากภิกษุทั้งหลายเมื่ อ, อนาปาณสติที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทําให้มากแล้วอย่างนี้ภิกษุพึงหวังพลานิสงฆ์เจ็ประการพลานิสงฆ์เจ็ประการอะไรบ้างคือ 1. จะได้บรรลุอรหัตผลทันทีในปัจจุบัน 2. หากปัจจุบันไม่ได้บรรลุก็จะได้บรรลุในเวลาใกล้ตาย สาหากปัจจุบันและในเวลาใกล้ตายยังไม่ได้บรรลุก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี4ละถึงก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพพายี5ก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพพายี6ก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้สังขาระปรินิพพายี เก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อุทธังโสโตโอกนณิทัคามีเพราะอุทธ ร, รมภาคิยะสังโยชน้าประการสิ้นไปภิกษุทั้งหลายเมื่ อ, อนาปานาสติที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้ภิกษุพึงหวังลานิสงส์เจประการนี้ทุติยภ ะ, ะสูตรที่หจบ อริทฐสูตรว่าด้วยพระอริทตะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคละถึงได้ตรัธรรมภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังเจริญอานาปานสติอยู่หรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วท่านพระอริทตะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าพระองค์ยังเจริญอาณาปานสติอยู่พระพุทธเจ้าค่าอริท h เธอเจริญอาณาปานสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก้ามชฉันทะในกรมทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วข้าพระองค์ก็ละได้แล้วก้ามชฉันทะในกามทั้งหลายที่ยังไม่มาถึงของข้าพระองค์ก็ไปปราดแล้วปฏิฆะสัญญาในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกข้าพระองค์ก็กาจัดแล้ว ข้าพระองค์มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกข้าพระองค์เจริญอาณาปานาสติอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าข่าอริธะอาณาปานาสตินั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีแต่ว่าอาณาปานาสติจะทําให้บริบูรณ์ได้โดยพิสดารด้วยวิธีใดเธอจงตั้งใจฟังวิธีนั้นให้ดีเราจะกล่าวท่านพระอริฐะทูลรับสนองพระดํารัสแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าอริฐะอาณาปานาสติจะทำให้บริบูรณ์ได้โดยพิสดารอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคู่บันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวและถึงสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนีกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกอริทะอาณาปานาสติจะทำให้บริบูรณ์ได้โดยพิดารอย่างนี้แลอริฐสูตรที่หจบ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 แล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นกายของภิกษุนั้นไหว้หรือเอนเอียงไหมภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลาใดข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นท่านผู้มีอายุนั้นนั่งในถ้ำกลางสงหรือนั่งในที่สงัดตามลำพังเวลานั้นข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เห็นกายของท่านผู้มีอายุนั้น ไหวหร <energy> <pal> ือเอ็เอียงภิกษุทั้งหลายการที่กายไม่ไหวหรือเอ็เอียงหรือการที่จิตไม่ไหวหรือดิ้นรนเพราะสมาธิใดที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วสมาธินั้นพิกษุนั้นได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากการที่กายไม่ไหวหรือเองเอียงหรือการที่จิตไม่ไหวหรือดิ้นรน เพราะสมาธิอย่างไหนที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วคือการที่กายไม่ไหวหรือเอนเอียงหรือการที่จิตไม่ไหวหรือดิ้นรนเพราะอาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วเมื่ออาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วการที่กายไม่ไหวหรือเอนเอียงหรือการที่จิตไม่ไหวหรือดิ้นรนเป็นอย่างไร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 ภิกษุทั้งหลายเมื่ อ, อนาปานาสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้การที่กายไม่ไหวหรือเอ็งเองียงหรือการที่จิตไม่ไหวหรือดิ้นรนเป็นอย่างนี้แลมหากัปปินสูตรที่เจ็ดจบ ปทีโปปมะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยประทีพิกษุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทําให้มากแล้วมีผลมากมีอนิสง์มากอาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอนิสง์มากคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบรรลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวและถึงสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก ภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แหลททำให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอนิสง ม, มากภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตย์ยังไม่ได้ตรัสรู้โดยมากก็อยู่ด้วยวิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่นี้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้กายก็ไม่ลำบากจักษุก็ไม่ลาบาก และจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นพิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นหากพิษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าแม้กายของเราไม่พึงลำบากจากสุของเราไม่พึงลำบากและจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นก็พึงมนศิการอาณาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากพิษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่า เราพึงละความคิดถึงและความดำริอันอาศัยเรือนเสียก็พึงมนัิการานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ก็พึงมนัิการานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่า เราเพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยู่ก็พึ่งมานัิการอานาปานสติสมาธินี้แหลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึ่งหวังว่าเราพึ่งมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู่ก็พึ่งมานิการานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่า เราพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิคูณในสิ่งปฏิคูณและสิ่งไม่ปฏิคูณอยู่ก็พึงมนัิการอานาปานาสตินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงเว้นทั้งสองนั้นคือสิ่งไม่ปฏิคูณและสิ่งปฏิคูณแล้วเป็นผู้มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ก็พึงมานัการานาปานาสติสมาธินี้แลให้ดี หากภิกษุในธรรมวิัยนี้พึงหวังว่าเราพึงสงัดจากกรมและอุติธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ก็พึงมนาการ า, า, านาปนาสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวิในนี้พึงหวังว่าเพราะวิตกวิจารสงบระ ง, งับไป เราพึงบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปิติและสุขอันเกลลิดจากสมาธิอยู่ก็พึงมนัสการอาณาปานาสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเพราะปิติจางคลายไปเราพึงมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะ สวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสันเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขก็พึงมนัศการอานาปานาสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมณัตและโทมนัตดับไปก่อนแล้วเราพึงบรรลุจจตุธฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ก็พึงมนัสการอาณาปานาสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงบรรลุอากาศานัณจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานัตสัญญาโดยประการทั้งปวง ก็พึงมณนสการานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวิัยนี้พึงหวังว่าเราพึงล่วงอากาสาญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ก็พึงมานัสการานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวิันนี้พึงหวังว่า เราพึงล่วงวิญญาณัญญาัตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอาคินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรก็พึงมานัสการานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหาภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงล่วงอาคินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌาน ก็พึงมนสสการอาณาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทียินโรธสมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนาก็พึงมนสสการอาณาปานสติสมาธินี้แลให้ดีภิกษุทั้งหลาย เมื่อนาปาณสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้ถ้าเธอสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอสวยทุกเวทนาก็รู้ชัดว่าทุกเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่น รู้ชัดว่าไม่น่าเพลิเพลินถ้าเธอเสวยอทุคคมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าอทุคคมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนานั้น ถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากิเลสเสวยทุกขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากิเลสเสวยอทุกขมาสุขเวทนานั้นเธอเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุด หลังจากตายไปก็รู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลินจากเย็นในโลกนี้ทีเดียวภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยน้ำมันและไส้ตะเกียงน้ำมันจึงติดอยู่ได้เพราะสิ้นน้ำมันและไส้ตะเกียงน้ำมันก็หมดเชื้อดับไปแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อสวยเวทนามีกลายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่า เราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลินจากเย็นในโลกนี้ทีเดียวปทีโปรประมะสูตรที่แปดจบ สาลีสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่กรุงเวสาลีเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปูตาคารสาลาป่ามหาวันเคกรุงเวสาลีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสสอนอสุภกรรมฐานทรงพานนาคุณแห่งอสุภกรรมฐาน ตรัสรรเสริญการเจริญอสุภกรรมฐานแก่ภิกษุทั้งหลายโดยประการต่างๆต่อมาพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาจะหลีกเร้นอยู่ผู้เดียวสักครึ่งเดือนใครๆอย่าเข้าไปหาเรายกเว้นภิกษุผู้นำอาหารบินตาบัดเข้าไปให้รูปเดียวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้ว ในเครื่องเดือนนี้จึงไม่มีใครๆเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยกเว้นภิกษุผู้นำอาหารบินตาบาดเข้าไปถวายรูปเดียวลํำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นสนทนากันว่าพระผู้มีพระภาคตรัสสอนอสุภกรรมฐานทรงพรรณนาคุณแห่งอสุภกรรมฐานตรัสสรรเสริญการเจริญอสุภกรรมฐานโดยประการต่างๆ แล้วพากันประกอบความเพียรในการเจริญอสุภกรรมฐานหลายประการกระทั่งเกิดความรู้สึกอึดอัดเบื่อ น, น่ายรังเกยียจร่างกายของตนจึงพากันแสวงหาศตราสำหรับฆ่าตัวตายวันเดียวภิกษุก็นำศตรามาฆ่าตัวตาย10บรูปบ้างละถึง30รูปบ้างเมื่อครึ่งเดือนผ่านไปพระผู้มีพระภาคก็เสด็จออกจากที่หลีกเร้น รับสั่งเรียกท่านพระอานน์มาตรัสถามว่าอาโนนทําไมภิกษุสงฆ์จึงดูเหมือนจะน้อยลงท่านพระอาโนนทูลตอบว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าพระผู้มีพระภาคตรัสสอนอสุภกรรมฐานทรงพรนนาคุณแห่งอสุภกรรมฐานตรสัสสรรเสริญการเจริญอสุภกรรมฐานโดยประการต่างๆ แล้วพากันประกอบความเพียรในการเจริญอสุภกรรมฐานหลายประการกระทั่งเกิดความรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจ ร, ร่างกายของตนจึงพากันแสวงหาศัตราสำหรับฆ่าตัวตายวันเดียวภิกษุก็นำศัตรามาฆ่าตัวตาย10รูปบ้างละถึง30รูปบ้างขอประทานพระวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคโปรดตรัสบอกวิธีอื่นที่ภิกษุสงฆ์นี้จะพึงดำรงอยู่ในอรหัตผลเถิดพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนถ้าเช่นนั้นเธอจงพเดียงภิกษุเท่าที่อาศัยกรุงเวสาลีอยู่ทั้งหมดให้ประชุมที่โรงอาหารท่านพระอานนทูลรับสนองพระดำรัสแล้วผเดียงภิกษุเท่าที่อาศัยกรุงเวสาลีอยู่ทั้งหมดให้ประชุมที่โรงอาหารแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเดยกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุสงฆ์ประชุมกันแล้วขอพระผู้มีพระภาคโปรดทราบการอันสมควรในบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปที่โรงอาหารประทับนั่งบนพุทธอที่ปูลาดไว้แล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธิแม้นี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นสภาพสงบประีตสดชื่นเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขและทำบาปอกสุรธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปสงบไปโดยเร็วภิกษุทั้งหลายฝุ่นละอองที่ฟุ้งขึ้นท้ายฤดูร้อนถูกฝนใหญ่นอกฤดูการ ทำให้อันตรธานไปสงบไปโดยเร็วแม้ฉันใดอาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นสภาพสงบปราณีสดชื่นเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขและทำบาปอากุโสธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปสงบไปโดยเร็วอาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างไร ทำให้มากแล้วอย่างไรจึงเป็นสภาพสงบปราณีตสดชื่นเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขและทําบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปสงบไปโดยเร็วคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้า มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกละถึงสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกพิกษุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงเป็นสภาพสงบปราณีสดชื่นเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุข